อยู่ที่ที่เสียงนังก็แล้วันทรืจะนึกถึงองค์ท่านก็ได้ความจริงภาพของท่านนั้นไม่ใช่องค์ท่านหรือภาพของท่านที่แท้จริง้คือความว่างความสงบพยายามทาจิตให้ว่างให้สงบอย่าให้มีความคิดปรุงแต่งเข้ามารบ ก, กวนในขณะนี้ขอให้ทาใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับการบ ร, ริกรรมพุโทโธพุทธ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 คนละทางนน้ำก็เดิทางไปทางน้ำก็กลับไปรวมกับน้ำลมก็กลับไปรวมกับลมดืนก็กลับไปรวมกับบดนไฟก็กลับไปสู่พวกของเขาเพราะว่าเขาถูกแยกออกมาด้วยด้วยการออด้วยการ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 การกระทำต่างๆนี่นเป็นอุบายที่ครูบาอาจารย์ท่านต้องกใจให้เราได้เข้าถึงความสงบอันนี้เข้าถึงตัวจิตเข้าถึงการไม่ต้องไปเกิดใหม่ให้เราปฏิบัติบูชาก็เพื่อเพื่อความสงบอันนี้ความนล่งของจิตอันนี้เพราะงั้น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 มันก็จะดับของมันไปเองเหมือนตะเกียงที่ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงไม่ได้เติมน้ำมันถ้าจุดไปได้เรื่อยพอน้านํามันหมดไฟของตะเกียงมันก็จะดับไปทําคำว่านิโรดนี้แต่ว่าการดับทุกก <c oughs> ารดับทุกก็ต้องดับด้วมรกมรกก็คือสติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า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 ก็คือเขามีความสงบถ้าอยู่วัดเราวก็ต้องเนี่ยต้องนั่งสมาธิให้มากพอออกจากสมาธิก็เดินจงคมต่อควบคุมจิตใจยอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้มาคิดทางทางเรื่องของมักคือให้พิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 ว่า ไ, ไม่มีความทุกข์แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้จะทำอะไรหรไม่ทำอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะมไม่มีอะไรจะต้องทำู้สิท า, างรมมณฑอยางเป็นก็บอกว่วกิจในในป ร, รมาจารย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่มีกิจอะไรที่ต้องทำต่อไปแล้ว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 ถ้าไม่มีสติแล้วทำอะไรไม่ได้คิดก็คิดคิดดีก็คิดไม่ได้ทำดีก็ทำไม่ได้ น, นันคอคนที่ไม่มีสติมากๆเราก็เรียกว่าคนเสียสติคนบ้าอย่างนี้ใครก็ทำอะไรก็ททำไม่ได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมสั่งการให้ใจทาตามคำสั่งได้มันใจมันจะไปตามเรื่องของมันเหมือนดิ่งที่ไม่มีเชือกผูก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 เอ ใ, ใครว่าสมาธิไม่สำคัญนี้เราไม่เชื่อไม่งั้นพระพุทเจ้าจะสอนสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาได้อย่างไรก็ตัดสมาธิออกไปเลยเอาแค่สินแล้วก็ปัญญาเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ล้วสมาธิจะเกิดได้ก็ต่ามเมื่อมีสติเด้งมันเอาไว้ต้องมีเชือกผูกมัดให้มันไม่ไม่สามารถที่จะขยับ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 อูชาแบบปิดทองหลังพระก็ได้บูชาด้วยความสงบเพราะถ้าไม่ต้องการอะไรจากเานอกจากให้เรามีความสุขให้พวกเราพ้นทุกข์พวกเราจะมีความสุขพ้นทุกข์ได้ก็ใจก็ต้องสมทุกอย่างก็ลงมาที่ตัวเนี้ตัวที่สอ่อบอเนี่ยคือความสมุบสนุกายสนบกาจาและสงกใจ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 มันมีประประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยคูบาอาจารย์ทังกงรู่ที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเยยนี่นยเยวลูกศริตกติกันเองเห <c oughs> าุไหนที่ท่านพ่อรีท่านจัดงานฉลองเก่งเก่งพุทธกาล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 คุไม่รู้ว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ท่านท่านท่านพ่อรีท่านจะเอาบาตรทิ้งไท่านนั้นท่านก็จะไปแ้ท่านพอนี้ถึงเรียงตอนแต่าหนพระพุการก็มีใช่ไมพเจ้าเจ้าต้องหรเปไปอยู่คนเดียวงต้องถูกชาวบ้านเขาดับไม่ใส่บาตรให้ถึงจะหมดแรงกื่เลยถึงจะหมดแรงพราะไม่มีข้ากินมันก็หมดแรง ถึงต้องมายอมขอเข้ามาง <c oughs> ั้นเราต้องศึกษาเรื่องย่างนี้ไว้เป็นคติสอนใจเราเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลนี้เราอยากทำให้มันเป็นประวัติศาสตร์สำรอายดอบวิทย์หลักการแพ้เป็นพระชนะเป็นปนางคือถ้าคุยกันเรื่องเขาอยากจะเอาอย่างนั้น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 คนน้องปุรีท่านก็เป็นคนเงียบๆท่านก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรทไหร่ก็ท่านก็คงจะเห็นท่านเคปลารบปาวิตกกลัวเดี๋ยวาวศพท่านมาผาที่สนามหลวงท่านชนะแล้วรูปบุญนะะมาถึงว่าไปแต่ไมไป700ไม่ไม่ได้ดูการานรือเปล่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 แตถ้าก็ดเรอยู่บ้านฟังธรรมหนงาตาเปิดซีดีฟังอืภาวานาไปผมคิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์มาถ้าผมก็ไปนะฝากเงินไปก็ได้อยากจะทำบุญก็ฝากเงินไปส่งเงินไปก็ได้<ต>ที่ไปนี่ความจริงมี ม, มีมีต่อไม้อยู่สองส่วนไม่ต่งส่วนหนึ่งก็คือมีงานต้องทำก็คืองานชาปนากิจแต่ว่าถ้าไม่มีใครทำเลยเราก็ต้องไปแต่ว่ามีใครเผาศพท่านเลยเนี้ยเราก็ไป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 แต่บางทีสมัยนี้บางทีไปแล้วไม่ได้เห็นศพก็มีศพก็ เ, เก็บไว้ในหลงเรียบร้อยนะไปก็ไม่เคยเจริญมรนานุสติกันเลยไปถึงก็ไปทักถ่ายกับเพื่อนฝูงที่ไปงานนั่นเลยกันถ่ายเป็นงานสังคมถามเปน็นไงลูกเป็นไงมากสามีเป็นไงมากไปอย่างนั้นกันไปยังไม่ได้บุ่นะ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 พิจารณาใจรักให้มากพิจารณาความทุกข์พิจารณาอนัตตาให้มากแล้วมันจะดับสมุทยัยคือความอยากต่างได้รดับมันได้ละมันได้นี่รธก็คือความสนุความความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา แต่วันนี้เป็นค้า้งแากที่สาระนั่งได้อย่างสบายไัย่งั้นนั่งเยียบ ทำอะไรก็มีอะไรจะเผื่อเรื่องการ่เนี่ยจะไม่ได้เป็นการไปแสดงกับตเเวที่ตลาดกลางค่ะใเวลาเราไปงานสพของคุณบาอาจารย์อะไรเี่ยโบกที่เขาเรก็ใช่ก็เป็นการแสดงบางต้น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 เราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหาเลยใจเย็นทีเรายังไม่แน่ใจในตัวเราว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเพราะว่าเคยเคยเราคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ไปอะไรอย่างนั้นคเคยเคยถูกถามก็บอกว่าทำที่บัางก็ได้กราบท่านที่บานก็ได้ ีบอกเรื่องนี้ว่าถ้าไม่มีใครไปเราก็จะไปทำเองแต่ <c oughs> ถ้ามีคนทํากันเยอะแล้วเราก็ไหวว่าทำขึ้นไปแทนเราเราทําอย่างอื่นก็ได้ทำแทนท่านก็ได้ <c oughs> เป็นงา น, นสร้างโรงพยาบาลท่านไม่เสร็จเราก็ไปช่วยช่วยทำโรงพยาบาลให้เสร็จก็ได้ <c oughs> แต่คร้งนี้หนู <c oughs> ไปโรงพยาบาลอยู่อการมัน <c oughs> มีการทําได้หลายวิธีอ่ะ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 เพราะวันนี้ายการี่เรากำลัไก่ยอางนี้อยางสุดันเลยะนรสชาโบราณเนี่กรู้คาว่าให้แกปัญหาแบบคือ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 อยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้น<ม>เป็นอย่างนี้ถ้าอยากเราแก้ได้ทำได้ตามความอยากก็ทาไปอต่ถ้าอยากเราแก้ไม่ได้ทำไม่ได้ก็ต้องทำใจตามบอกเลยด้ยนะขอบขอบคุณนทะ่านอาจารย์ทนะีนะ่พาพวกลูกเกิดการอุกดาธิษฐา ฝากมาถวาย้ถ้าเราไปที่วัดเราก็จะไปถหงนร่างกายท่านแต่ถ้าเราเข้าสู่การสนุกไม่เห็ถึงค์ที่ท่าน้าจิเข้าเห็นองค์นะคือพลังไม่แน่ใจเอ้เข้าปเห็นตาหรือเปล่าแต่เขานั่งไปสัก องคท่านก็คือควาสมสงบนั่นองคท่านสงบอยู่ตลอดเวลาลแม่เข้าใจว่าคือหน้าหตาหรือว่าอะไรามา อ, า <c oughs> อ่อ น, น่นไม่ใช่องคท่านอันนั้นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนอุป ท, ท, ทานของความสุขใ<ห> คได้พบความสงบอะไรนย่เี้ยพระพุทธเจ้าเกิดควาต่อะไรนี่นีานยอคือความสงบนี่ตามว่านิพนิพานังประมังสุดขังนิพานังปละมังสุดอย่างก็แปล่ตัวนี้ตัวว่างตัวสงบนี่ยาะนท่านอยากพูว่าเข้าถึงอะไรก็คือพบความสงบก็คพบธ่านนี่เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นันเห็นเราผู้ใดเห็นความสงบผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้า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 จัเดือนนั่งกับอยู่ตรงนี้มันมันเร็วมันดีค่ะแต่สนักเองสมันแคบเดียวเขามันเข้าใจกันแล้วทีเราินเราเน่าไม่ใช่ิบหรอกทีแล้วก็มาณคือเดือโทีนกินสิบชับวงค่ะชั่วมงแล้วเน่าแต่รัฐมนตรีจ่ายแต่ต้องทำแบบที่ไม่ไม่บอกให้ร่วงงาก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 เพยไม่ได้ฟังไหนไปไหนไปไหนฝากก็ให้ฟังที่เมืองไทยก็ไม่พร้อมไปฟังที่นู่นก็เลยฝากึ้นมาทำด้วยก็เหมือนบอกให้นั่งสมาธิที่บ้านก็ไม่นั่งกันไม่นั่งตรงนี้เนี่ยให้ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยทีนี้กล่าวกล่าวไปทำไม่มากเนี่ยอยายามทำให้มาก๋ยวาไปเห็นว่าสมาธิไม่สาคัญนะเราจะถูกหลอกด้วย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 ความทุกข์หรือการที่เราต้องไปแบกบ ค, ความทุกข์ต่างๆได้ความทุกข์นี้เราไปแบกมันเองเราปัญหาต่างๆเราไปแบกมันเองเราไม่ปล่อยมันถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยอะไรที่ทำได้ก็ทำไปอะลาที่แก้ได้ก็แก้ไปอะไรที่ทำไม่ได้แก้ไม่ได้ก็กล้าอย่างเป็นไป มันจะไปก็ให้มันไปมันจะเสียก็ให้มันเสียไปไม่เป็นไรเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวเรามาเวลาเราไปเราก็ไม่ได้อะไรติดตัวเรากนอกจากธรรมะหรือกิเลสจากนั้นที่เราเอาติดตัวเป็นกับเราฉะนันเราพยายามมาเอากิเลสออกจากใจเราแล้วก็เอาธรรมะใสังจเพื่อเราเวลาไปเราจะได้เอาแต่ธรรมะไป ท้าเรียกว่าทำวนเนี่ยก็ดรวยการเจริญมากนนเนียเข้าใจนะ เ, เป็นไงผอนรืยังวันนี้ควรใจเวลาเวลาให้ผ่อนอยากาวาวฤหับปุราริปุเรนติสาคราน เอวเมวะอิโตทินางเปตาหนังอุปกปฏิยชิตังปฏิตังตุหังคิดเปเมวะสมิชฌตสัพเพปุเรนตุสังกะปะจันโทปนะระโสยท้ามณิโชติระโสยท้าสัพพิติโยวิวัชฌตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตพาวะวันตารโยสุขีทีคาวิโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจจังนุธาปจาวิโนจตารโอธรรมวาาติอายุวันโอสุขังทารังสาธิ นีวันนี้คนน้อยๆกับเดเนี่ยเพราะมันสงบเดยนั่งก็สบายไม่เบียดกนันพอพวกเราชอบกระทึกคุุ่มงาน้หนใหญ่ไม่เสียงต้องมาที้นี่สักชาติ <c oughs> มันเล้าใจดีาบสย ถ้าสบายก่อนท่านไปแล้ว<า>แต่ตอนนี้ท่าน <หา S 2> สบายมากกว่าก็คือ <หา S 2> ไม่ต้องมานองแบกไอ้ร่<ห>างกายอันนี้ท่านเปร็จที่แล้วทีนี้หมายว่าเวลาเราทำดุเนี่ยนะคนะเราควรจะเน้นไปที่ส่วนส่ที่มีก้ อุทิศก็ได้อุทไม่อุทิก็ได้แต่ท่านไม่ไม่เหมือนกับขอทานส่งเงินไปให้เศรษฐีมาาเศรษฐีอ่าให้ไหนอะไรว่าไม่ได้ใจว่าจะเป็นจะต้องได้อุทิศเพราะว่าเราเคารพท่านเรารักท่านเราแสดงความกตัญญูกับเศรษฐีได้ท่านทาบฉันก็จะอนุโมทนาได้อุทิศได้ไม่เล็นไรแต่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อจะให้ท่านได้รับเงินของเราแต่เป็นการแสดงเจตนาความเคารพเคาร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 บอกว่าจากการทําเนี่ยซึ่งมันอาจจะแวบได้แบบนี้<ช>ตรงนั้นก็เ <มา S 2> ลืลลกลับมาเลืนกลับมาเลื่อนกลับมาาพูดถัวก็ได้หรือมาสิ่งที่ที่เรากําลังที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้มาหาร่างกายเราบอกการมาอยู่ที่นี่อยากไปที่ตรงนั้นนะแล้วตอนที่บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าให้พิจารณาควฟังายทุกลมหายใจเข้าออกณขณะที่เราทํานู่นทํานี่หรืออะไรอย่างนี้การพิจารณาตรงนั้นเป็นยังไงเจ้า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 ที่ที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเจบวันเจ็เดือนอันนี้หมายถึงเจริญสติใช่มคุณตเะอบรมตหมายถึงว่าจะวย์รู้ว่าผลที่ผ่านขั้นใดขั้นหนึง่งถ้าไม่ขั้นก็อหรหันต์ก็ขั้นต้านข่าวมีอแสดงก็คือจเจริญสติขั้นใดด้วยการจเจริญตามที่ทรงสอนในสติปัฏฐานสีซึ่งไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แต่เจริญสติอย่างเดียวจเจริญสตินั่นเป็นส่วนหนึ่งราะเนั้นแล้ก็ต้องทํำสมาธิทําอาน า, าปานสติ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 ยังเป็นเหมือนเป็นเหมือนเรียนหนังสือในห้องเลย น, นี่คือการบ้านของเร า, าการมอบ ก, การบ้านให้เรามาทําำถ้่เราทํอย่านี้ได้เราต้องได้ผลอย่างแน่ น, น, นอนจะต้องเรียนจบชั้นไม่ต้องเรียนซ้ําชั้นกน็พระพุทธเจ้ารับประกันเรารับรองต่อก็ได้เราเราว่าไม่ไม่ไม่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 ไม่อยู่จงกว่าศัตรูของเรามันตายแคนั้นเราถึงจะอยู่ถ้ามันยังดิ้นได้ก็ต้องเอาให้มันม น, ม น, น, นิ่งไปเลยสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นทำเกี่ยวเนื่องกันนากต้นที่สติก่อนรล้วพอมีสติแล้วเวลานั่งทําสมาธิก็จะสงบพอมีสมาธิออกจากสมาธิพิจารณาไใจลัตรพิจารณาสุขะพิจารณาร่างกายมันก็จะมันก็จะโปร่งจะว่างได้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 สัง่งย่อสางตัวแรกที่พูดถ้าใครละได้แล้วก็จะเป็นพระโสดาบันขึ้นมาต้องละจักรยพิจิตละศีะพัฒนามแล้วก็วิจิตติฉาความสงสัยในพระพุทธธรรมผสองถ้า พ, พูดพูดถึงพุทธธรรมสังฆะนี่หมายถึงอะไรยังไม่เข้ า, จาใจแต่พอปฏิบัติจิตกับกิเล็ดได้จิตรวมลงเข้าสู่ความสงบพัดก็ว่าออนี่เองอยู่ตรงนี้เอง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 แั้ก็ต้องออกมาพิจรารณาดูแล้วว่าจิตยังติดอยู่กับไอ้นี่ไม่เปล่าถ้าติดก็ต้องหาวิธีละมันก็ต้องใช้ใจลกเหมือนกันมาต้องพิจรารณานว่ารูปฌปานแล้วรูปฌานนี้ก็ไม่เที่เป็นทุกข์ไปแล้วนับตาถ้าเราไปยึดไปติดมันมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ยังไม่ทูกถอน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 วางประกานี่จะบอกว่าเวลาพิจารณาได้รักไปแล้วมีเกิดปุ้งเนี่ยถ้าเบิกท่าน an, อนุธมีก็จะมีเข้าไปสู่ฌานรือลูาเนี่ยครับกับไปที่นั่นเพื่อที่จะพากจิตแต่ถ้าเบอกว่าถ้าเบต่าระดับต่ำคนนั้นก็ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิใช่ไครับมันก็เหมือนงานสมาธิก็ชาเหมือนกันเหมือนกันเรง้ว่าฌานของพระอนุธรมีนี่มันมันเป็นแบบ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 ทำตามได้ทำเข้าใจเข้าใจท่านตับตับต่างนท่านก็ได้ตอนที่แสดงข้างงแากนี้ก็ได้โสดาบันเป็นคนเดียวเพราะท่านยังอาจจะแสดงไม่ละเอียดพอแต่พอท่านแสดงอนัตตลักษณ์ตสว่าเวทนาสัญนาสังลูกเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนิจังปะัเป็นนัตตาท่านท่านห้าก็บรรลุเป็นตาหนามไ้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 มันต่างกันเวลาฟังเทศฟังกรรมจากคนนี้กับคนนี้ดูอาจารเจ้าพัสเอ่อพสดยปันนี้คือนิวรห่านี่จะ่ดังตรงไหนีช่ไเจ้าค่ะ อ, อนิวรห้ามันดังตั้งแต่แรกสมาธิบ้าง <c oughs> ถ้าจิตไม่สงบก็เพราะว่ามันถ่วงนิวรห่านี้กั้นอยู่นิวร น, นี้แปลว่าอุปสรรคขวางที่จะขวางแม่จิตนี้เข้ลงสู่ความสงบงั้ <c oughs> นผู้ที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้นี้ต้องกาจัดนิวรห้า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 ทางเทศทางธรรมก็จะได้ไม่สงสัยพอเราพอเรากำจัดนิวรนได้ได้สมาธิแล้ทีนี้เราก็ออกไปทางปัญญาได้พิจารณาปัญญาได้ก็จะก็จะตัดอิปทาตัดสมุทัยได้ตัดความยึมั่นถึงมั่นตัดความอยากต่างๆได้ก็จะบรู้ทําได้พอจารย์้นไม่คึดตดั้แ้วตั้งยอดนะตั้งยอดแต่ว่า เรื่องพันฒนาการอย่งที่ผูกจิตให้เิียอยู่กับวัตจะกับการโยนร่ายกายเกิดเยาจะจบยังไม่จบสักทีนะพอแล้วนะไม่พอแล้วนะ